ا ل ل ه ل رحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بأحسان إلى الدين ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في د ي ة ك ن س و ر ا ل ب ر ت و ب ج و ت ن ج م ة د ي ف ل ن أ ب ن و ن ع َ ن ت ه م ْ و َ ن ب َ ن ه و ت ب ع َ ن ْ ه و ب ل ع ه م ให้เป็นผู้มีสิทธิรับเสกาัซึ่งสองครั้งที่ผ่านไปแล้วเราได้อธิบายจำพวกผู้กราบหรือผู้ซาคีหรือผู้ عامل ใน عليها หลือผู้เลิฟติหวหุรวมทั้งหมดมีสี่จำพวกวันนี้จะพยายามที่จะอธิบายที่เหลือทั้งหมดที่ชอบว่าถ้าได้มีเวลาพราะมีบางจำพวกที่จะมีรายละเอียดเยอะพอสมควร แต่ไม่เป็นไรนะครับถ้าที่มอกจ่าพวกที่มีสีทรับสกาศยืนยาวเกินไปเนี่ยเพราะ ม, มันเป็นประโยชน์สำหรับสังคมทั่วไปในการที่จะให้ผู้คนได้รู้ว่าเขาอยู่ในผู้มีสิรับสกาศหรือหม่อย่างที่บอกกับพี่น้องมันมีผลต่อสถานะผู้ศรธานะ ที่จะรับสักาะคนที่จะรับสักาะและอยวู่ในแวดจําพวกเนี่ยเขาจะได้รับสักาะด้วยความสบายใจ เ, เพราะเขามีเสียธรับสักระแล้วคนที่รับสักาะโดยไม่มีสิทรับสกาะก็เปรียบประหนึ่งเหมือนโจรที่ได้ลักทรัพคนอื่นโดยไม่มีสิทธิ์แล้วคนที่ออกสักาะเขาจะได้สบายใจในกลุ่มที่เขา จะต้องมอบสกาดให้เขาเพระาะสกาศเส้นเป็นเสาหลักในการศาสนาอิสลามและเป็นเสาหลักในการประกันประกันสังคมมักจะเกิดการเสียเปรียบจากสองประเด็นนี้ประเด็นคนที่รับสกัดโดยไม่มีสิทธิ์หรือคนที่มอบสกาศให้แก่คนที่ไม่มีสิทธิ วิธีแก้ไขก็คือเรียนรู้เผยแพร่ความรู้ที่เกี่ยวกับผู้มีศิทรับสัาธามันก็จะช่วยที่จะบรรเทาปัญหานี้ให้น้อลงและการนี้มันก็มันก็เหมือนเงินหลวงนี่แหละเงินหลวงเงินสวนการเป็นเงินที่เจ้าของนี่คือคนในสังคมทั้งหมดเลย จำผูดด้ใดที่จะเอาเงนินเหลืองมาเป็นของส่วนตัวของเขาโดยไม่มีความชอบเนี่ยก็จะถือว่าเป็นไม่ได้เป็นผู้ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลนะจะเป็นผู้ละเมิดสิทธิส่วนรวมสิทธิของสังคมทั้งหมดอันตรายมันยิ่งถ้าเราได้รู้จำพวกที่ห้าองค์นี้เนี่ยก็คือว่าฟิร์กอบ จำพวกที่ห้านี่นะครับน่สนใจมาก้อฟี่รับคำว่าว่ฟีหมายว่าอไรในหมายถึงว่าให้บริจาคสกาในจาพวกเระบอแล้วว่าคาว่าฟีหมายถึงว่าให้สกัดไปอยู่ในกรรมสิทธิ์ของเขาไม่อนุญาตที่จะแจกจ่ายสกัด โดยที่จำพวกเหล่านี้เนี่ยไม่ถือกรรมสิทธิ์ถ้าคำว่าถือกรรมสิทธิ์หมายถึงว่าได้ประโยชน์ ด, ดูตรงปะกาศจะให้คน ย, กนยากจนหนึ่งนี่เราก็บอกว่าเงานินเงินไม่ให้หรอกดเงินเนี่ยจะไปฝากกับห้างสินค้านี้เดือนหนึ่งเท่านี้แล้วก็ไปเบกิกไปเบิกสินค้าออก ไม่ถูกต้องยกเว้นในกรณีจําเป็นเท่งนั้นในกรณีที่มีความจําเป็นเ่านั้นที่มีความจําเป็นเช่นผู้มีสิทรับสะทาเป็นผู้ดีไม่สมประกอบอาจจะยังไม่บรรลุศาสนาภาะวะหรือนิติภาวะใช้เงินไม่เป็นนะแต่มีสิทรับสะทธิ์ก็จะให้สิทธิ์ไปล้านหนึ่งอีกกว่าหนึ่งหมดแล้วเล่นเกมออย่างนี้ ไม่สมประกอบว่าคนเด็กฟีพนี่หมายที่สติปัญญาไม่สามารถที่จะควบคุมพฤติกรรมของตัวเองใช้ใจไ ม, ไม่ไม่ไม่เป็นอันนี้ก็อาจจะต้องควบคุมต้องต้องมีมาตร ก, การ <S <S ไม่แปลกนะครับก็เหมือนเงินดิจิตอลนี่แหละแจกยังไงอะเป็นเงินดิจิตเป็นเงินแล้วเป็ น, งนเนงินในตัวเลขเป็นเงิน เป็นเงินในมือถือจับต้องไม่ได้หมาถึงว่าจะเบิกมาเป็นเงินสดนี่ไม่ได้แล้วจะใช้จ่ายในใช้จ่ายในรัศมีสี่กิโลทั้งหมดดีท<ม>ทำไมอ่เขามองว่าสังคมไทยส่วนมากเนี่ยเป็นสังคมที่ไม่สมประกอบเข<ม>าก็ได้เงเิงเนเงินขายเงไปซื้อหวยไม่ได้ทำไมอะ่ะ คนในสงัคนสงคมส่วนมากก็ได้ได้ตั ง, ง, งค์ทำอะไรซื้อหวกินเหล้านี่นี่เป็นเรื่องที่น่าเศร้าจริงๆนะคนส่วนมากเนกี่ยก็ใช้ใจแบบนี้เาลองคิดดูสิที่เขาบอกก็จะให้ส6สบหปีใช่ปะ่ะสิบหปีนี่ได้เงินในมือเนี่ยหมือนหนึหนน่งสิ่งแรกที่ซื้อนี่คืออะไรมือถือแน่นอนวัรุ่นมถือถ้าไม่มีมือถือนะ ใถ้าพอมาม่ดซื้อมือถือหรือซื้อมือถือรุ่นเก่าอย่างเงี้ยได้มาหมื่นหนึ่งอย่างเงี้ยแต่ผมไม่รู้ว่ามื่นหนึ่งซื้อมือถือได้ปะในในในรัศมีสกิโลนนเป็นเรื่องที่น่าเศร้าจริงๆราบอกว้ในคุรานในส ورة อันนิซาร์ขีดเยี่ยมแล้วว ل ลา تؤت ا ل س ف ا ء ة أموالكم التي جعل الله لكم في أيام พวกท่านจงอย่าให้ ทรัพย์ของพวกเจ้าอย่ามอบทรัพย์ของพวกเจ้าให้แก่ซุฟะฮะซูฟะฮะนี่พระหุ้พ้นของเซฟีเซฟีนี่ก็คือคนที่ปัญญาอ่อนปัญญาอ่อนด้านใช้จ่ายก็หมายถึงว่ามีเงินแล้วได้เงินได้เงินเดือนมาแล้ววันที่หนึ่งที่สองที่สามที่ห้าหมดแล้วเงินเดือนทําอะไรซื้อหวยเอ้ ย, อยไปกินเหล้าเอ้ย ทีมีเงินเดือนแล้วก็อยากจะอยากจะป่าอยากจะป่ า, าเลี้ยงเพื่อนเอยเลี้ยงกูเลี้ยงกูเลี้ยงวันทีะ่ะนี่เงินเดือนหมดหม ด, หมดแล้วก็ใช้อะไรอะ่ะกู้พอมาเดือนต่อไปนี่ก็ครึ่งหนึ่งเงินเดือนเอนี่ยไปใช้เงินกู้จริงนะจำนวนไม่น้อยในสังคมเนี่ยก็ใช้ชีวิตอยู่แบบเนี้ย เขาบอก็สังคมไทยนี่ปัญหาใหญ่ของเขาเนี่ยไม่ใช่ปัญหาพลังงานไม่ใช่ปัญหารายได้ไม่ใช่ปัญ ห, หาแรงงานไม่ใช่ปัญหาปัญหาปัญหาหนี้สินปัญหาหนี้สินปัญหาใหญ่ของสังคมไทยแล้วเขก็สวยสวยสวยบุคลิคของของคนไทยคนไทยที่ยืมเ ง, งินง่าย ง่ายๆไปยืนหน้าบ้านเสนอเงินกู้ร้อยลยร้อยเลยสามสิบ ง, ง่ายๆไงนะไม่ต้องมีเอกสารไม่ต้องมีบัตรประชาชนไม่ต้องมีอะไรเลยะจะไม่เอาอ่ะไปธนาคารโอ้โหต้องเตรียมเอกสารขนาดไหนมหาศาลโอยไม่ต้องหวังหลงสากอนนี่ก็จะนี่มายืนหน้าบ้านที่จักรยานนั่งมอเตอร์ไซค์มาเอาไหมสองหมื่น ชาวบ้านให้ไดทุกปัญหาทและที่และที่น่าเศร้านิวะในสังคมมุสลิมนี त, ่ยก็มีบุคคลที र, ่ตกเป็นเหยื่อในในปัญหานี่สกัดนี่ต้องต้องมอบให้มือให้กรรมสิทธิ์จาพวกที่มีสิทธิ์รับสกัดฉะนั้นคนที่รับสกัดเนี่ยต้องเป็นคนที่สมประกอบต้องเป็นคนที่มีสติมีปัญญา แล้วตัวุฟลศีลนี้วัลุที่เจ้าลองพระเ้าทรงหคงันทรัพสินนี่มอบให้คนเบาปัญญาสิบีเาปัญญารัพย์สิน Allah ได้ชี้ถึงคุณสมบัติของทรัพสินเนี่ย Allah ที่จะ Allah คุละกุมเกียร์มาทรัพสินเนี่ยมันมีค่าที่ทาให้พวกพวกเราเนี่ยสามารถดารงชีวิตเงินเนี่ยมันไม่ใช่ของมันไม่ใช่ของดอยอยู่นเป็นแนวมากอย่างหนึ่ง มันเป็นความโปรดปราดอย่างหนึ่งที่เราหต้องต้องรักษาเนี่ยมากต้องชุกุรต่อเราหนึ่งในชุกครนี่ยหนึ่งวาระในการขอบคุณเนี่ยมากของเราเนี่ก็ต้องรักษาเนี่ยมากนี้และใช้จ่ายในแนวทางที่ถูกต้องที่ไม่ฟุ่มเฟือยไม่สุรุ่ยสุร่ายนี่ว่ฟิร์กอบีในอร์กอบีพระผดเอกผดคือรักบะรักบะเป็นว่าขอในสุลตัลเบล เราบอกว่าในผลแะบุญที่ผู้คนต้องการทำผลและบุญเราบอกว่าฟักกรรกกับอะยักษอื่น้ฟักกับฝรดูอ้ตกุรักะบะไอ้ตกไปว่าป่อยระกะบะไปว่าป่อยธาตฟักกุรักกะบะปล่อยทาตแต่ถ้าไม่พูดถึงธาตุใช้คําว่ารักะบะไปว่าคอเพราะตอก่อนนู้นธาตุจะถูกล่ามสู้ที่คอเอาโซ่นี่มาล่ามคอก็จะรู้เลย ว่าใครที่ถูกถูกมัดคออย่างเงี้ยนั่นเป็นธาตุนั่นอยู่ละมานั่นภาษาภาษาหลับนี่เขาเรียก ว, ยว่ามายาสแปลว่าพูดถึงส่วนหนึ่งแต่หมายถึงทั้งทั้งโตทั้งตัวส่วนหนึ่งของตัวเรานี่ก็คือคอแต่ไม่ได้หมายถึงว่าเฉพาะคอนะหมายถึงว่าทั้งตัวพระโกรกะบ่ปล่อยธาตุแต่ในรายการศาสนาหนี้ปล่อยธาตุนีทาได้ทั้งตัว ทำได้บางส่วนมีฮานิสบทหนึ่งท่านดะบิสซาลลอะเลสเซลล์ได้บอกว่าผู้ใดที่ปล่อยทาสแม้แต่ส่วนเดียวอัลลอฮฺก็จะปล่อยเขาอัลลอฮฺก็จะปลดปล่อยเขาจากไฟนรกแม้จะเป็นส่วนเดียวก็ตามานบีบอกว่าปล่อยทาสคนหนึ่งเท่ากับเราปล่อยตัวอดปล่อยตัวเองจากนรกถ้าเราจะต้องตกนรกไปชาระ มูทินของเรานะแต่เราได้ทําบุญปล่อยทาตุอัลลอฮ์ก็จะปลดปล่อยเราออกจากนรกถ้าเราได้ปลดปล่อยส่วนหนึ่งของทาตเช่นห้าคนนี่มาลงหุ้นจะได้ปล่อยทาตคนหนึ่งอัลลอฮ์ก็จะปล่อยหนึ่งในห้าของตัวเนี่ยจากนรกถ้าเรามีโทษที่จะต้องไปไปไปตก น, นรกการปล่อยทาตนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญอย่างที่ท่านอบีสซาลลอฮฺซึ่งเลิมได้ สั่งเสียไว้ก่อนนี่ก่อนที่จะเสียชีวิตอัลสลัตอัลสลัตอวมามละกัดไอมานุกุมนบีสั่งเสียไว้ก่อนเดี๋ยวชีวิตให้พวกเราเนี่ได้รักษาอะไรอลสลัตถึงเรียกถึงละหมาดอวมามละกัดไอมานุกุมมะละกัดไอมานุกลมที่ความได้สองอย่างมละกัดที่ได้ครอบครองอย่ามีนุกลมหมายถึงว่ามือมือขวา ที่มือขวาครอบคร อ, องนี่เป็นสำนวนในภาษาให ม, มัยถึงว่าที่เราถือกรรมสิทธิ์อะไรที่ถือกรรมสิทธิ์นี่ที่เป็นคนน่ก็คือทาาโดยเฉพาะท่าที่เป็นหญิงเท่เนานทานสีเพราะส่วนมากถ้าเป็นทาสีนี่เป็นท่าหญิงนี่ก็จะอ่อนแอมากกว่าท่าชาย้วกตีความว่าสิ่งที่ท่านนบีสั่งเสียไว้นี่ยให้ระวังนะ ใหระวังนะใครที่มีธาตุหญิงเหนียวอาธรรมเขานะหรือตีความว่ามามา่ละกัดไอ้มาที่ที่พวกเจ้าปกครองด้วยมือขวานี่ก็คือคนที่อยู่ภายใต้การดูแลของเราคุณแม่เพศอ่อนแอหน่คุณแม่น้องสาวพี่สาวภรรยาลูกสาวนันมีกำชับเพราะนันมีเป็นห่วงให้ประชาชาติว่าเพศอ่อนแอที่จะ ถูกขมเหงมากที่สุดนี่ก็คือเพศหญิงนา บ, บีก็เลยสั่งเสียในเรื่องนี้เมื่อพันสี่รอกว่าปีก่อนที่จะมีให้พวกกลุมเรียกร้อง ส, ส, ส, ส, ส, ส, ส, สิทธิสิทธิของสตรีเรื่องสิทธิของสตรีสตรีถูกขมเหงนา บ, บีได้คุ้มครองปกป้องสตรีในเมื่อพันสี่ร้อกว่าปีแล้วบาปต่างๆในอิสลามนี่มีกําหนดให้ปล่อยทาดเช่น ผิดสาบานนี่นแต่ละอย่างนี่แต่ละอย่า ง, น, างนี่เยอะนะเรื่องปล่อยทานด้วยด้วยถ่ยโทษด้วยการปล่อยท่านเยอะนะหลายเรื่องนะแต่เรื่องที่มันมีเกิดขึ้นบ่อยเรื่องที่ไม่เกิดขึ้นบ่อยเช่นซีฮอร์ซีฮอร์หรือคนที่เอ่อคนที่กล่าวภรรยาว่าเหมือนเหมือนแม่เขาจะไม่เพราะมเหมือนแม่เนี่ยก็จะไม่ไม่ได้มันเป็นวิธีหนึ่งในการอยา่าที่มันร้ายแรง ยาทิมคือยาอยาแบบอยาขาดไปเลยเธอนี่เหมือนแม่ฉันละฉันไม่แต่ต้องแล้วเหมือนแม่เลยอันเดยอะไรก็รัศรอุมอันนี้ก็เท่ากับจะคืนดีก็คืนดีไม่ได้แล้วแต่ปล่อยให้เข้าไปอิสระไปแต่งงานคนอื่นก็ไม่ได้แล้วแต่ก่อนนู้นมันเป็นวิธียาอย่างหนึง่งเราก็เลยห้ามวิธีที่จะไถ่โทษเรื่องเนี้ยก็คือปล่อยทา่าดอันแรกนี่ปล่อยทา่า ซึ่งเรื่องนี้เนะี่ยมันไม่มันเกิดนา น, น, านทีนานก็จะมีใครพูดแบบนี้แต่ที่เกิดบ่อยย่นะแล้วศสนาบอกว่าบ่ท่านเหมือนกันเป็นวาระแรกเลยแล้วคนส่วนวามากไม่รู้ไม่รู้เรื่องนี้ก็คือผิดสาบานผิดสาบานนี่เป็นหนึ่งในสามที่เป็นข้อเลือกสามข้อแรกสำหรับคนที่ผิดสาบานหนึ่งให้อาหารมิสกินสิบคนให้ให้เครื่องนุ่งหม่ม หรือให้หรือให้เครื่องนุ่งห่มสิบคนหรือปล่อยทาตซึ่งบางคนก็อาจจะอาจจะมองว่าคือเรื่องนี้ในปัจจุบันเนี่ยอาจจะไม่มีแต่เดี๋ยวเราจะอธิบายว่าเรื่องทาตในในปัจจุบันเนี่ยมันมีหลายรูปแบบแลเราจะดูอีกทีหนึ่งว่าเออมันเข้าไข่ธาตในปัจจุบันมากน้อยแค่ไหนแต่ทาตนี้หมายถึงว่าคนที่ถูกยึดอิสรภาพความเป็นไทยของเขา เขาเป็นคนที่อยู่ภายใต้กรรมสิทธิ์ของมนุษย์คนหนึ่งนั่นนะ่นะเรียกว่าทาตในอดีตนี่ก็คือทาตที่ปล่อยเป็นอิสระแล้วก็เป็นผลเป็นผลในการปล่อยเนี่ยคือทาตที่เป็นเฉลยศึกในสงครามที่ถูกต้องไม่ถูกว่ามุสลิมได้ทําสงครามแล้วก็ บ, บุคคลที่ถูก นำมาเป็นเฉลยศึกคนนั้นเลยเป็นทาสแต่คนที่ถูกลักขโมยแล้วไปไปขายในตลาดทาสอันนั้นนะ่ะในนิติศาสตร์อิสราเอกับมอิสเลานี่ไม่ถือว่าทาสนะ่ะอันนั้นนะ่ะหน้าที่ของรัฐนี่ที่จะต้องที่จะต้องลงโทษคนที่ไปลักขโมยชาวบ้านแล้วก็เอาไปขายในตลาดทาส เราเมากว่าซื้อขายไม่ได้นะชาติแบบนี้เนะี่ยทำไมของพ้่นจึงจะเห็นชาติว่าธุรกิจป้นชาติที่มันเกิดขึ้นเจ้าภาพสำคัญที่สุดในเรื่องนี้ก็คือฝรัง่งฝรั่งที่ไปป้นชาวแอาฟริกาโดยเฉพาะทางตะวันตกของแอฟริกาเนี่ยในเจรกาหา บปรกสนาฟราโซมาเลเิ้นส่วนมากตอนนั้นเป็นมุสลิมไปปล้นเขายกทับแล้วก็ไปปล้นเขาแล้วก็ขนส่งไปทางอเมริกาขายเป็นทาสทำงานด้านเกษตรคนชาวผิวดำส่วนมากที่อเมริกาเนี่ยรากเหง้าของเขาอุญ่าไตของเขาเนี่ก็คือทาสที่มาจากแอฟริกาแล้วเพิ่งมารู้กันนะครับหลายคนนะ่ตระกูลเนี่ยรู้เนี่ยสืบแล้วเนี่ยชัด ว่าผู้หญิงแต่เขาเนี่ยเป็นมุสลิมชื่อผู้หญิงแต่คนหนึ่งชื่อมาลิกคนหนึ่งชื่อฟาตติมาคนหนึงโอ้แต่ลูกหลานเขาเนี่ยเป็นฟิลิปเป็นอะไรเ ป, เป็นจอร์จเป็นอะไรแตไร่ไปหมดแล้วนอกจากว่าปุ่นมนุษย์นี่ก็ยังปุน่นศาสนาเขาด้วยปุน่นศาสนาเขาด้วยแบบนี้เนี่ยไม่ได้กว่าไม่เรียกว่าธาตนะไม่ได้กว่าธาตนะของปุนนะ่ะ ถ้าเราโง่อะไรก็ทำบุญทำบุญแล้วก็ไปไปซื้อทาตแบบนี้ไม่ได้นี้คุณไม่ได้ควรควรกำลังสนับสนุนโจรสนับสนุนโจรในทำธุรกิจปล้นปล้นมนุษย์มนุษย์บริสุทธิ์อันนี้จะได้เข้าใจว่าที่ไปที่มาของคำว่าทาตเนี่ยที่อนุญาตให้ทำบุญปล่อยทาตุนี่ก็คือประเทศไหนนะ เนี่ที่เราจะได้กลัวธาตาุที่ถ้ า, าถูกกฎหมายเออมันก็มีด้วยเหมือนสินค้าถูกกฎหมายผิดกฎหมายอ<ม>อันนี้ก็เหมือนทีนี้อาญานี่ได้บอกว่าเงินากดนี่สามารถที่จะนําไปให้ใหฟิลิปป์นี่ให้ทาตให้ทาตุดงไงเขาบอกว่าทาตนี่ไม่มี สิทธิ์ที่จะครอบครองทรัพย์สินเขาบอกว่าหมายถึงว่าเอาเงินเนี่ยสกาดเนี่ยไปบริจาคในการซื้อทาตและปล่อยทาตซื้อทาตและปล่อยทาตุอนี้แล้วก็ธาตเนี่ยเขาไม่ได้ครอบครองเงินด้วยตัวเองไม่ประโยชน์นี่มันได้กับเขาโดยตรงเลยและได้ในจุดหมายสําคัญที่สุดในชีวิตนี่ก็คือเป็นอิสระเนไหมแต่ตเขาก็ต้องการ เพราะทาสเนี่ยมีระบบที่จะทาสานี่สามารถไถตัวเองได้ก็คือทำหมากินแล้วก็หาเงินมาใช้เจ้านายเขาเนี่ยจะได้ปวดป่อยอันนี้เราไม่ต้องให้เขาเหน็ดเหนื่อยนี่เราเอาสากาศนี่มาปวดปล่อยเขาซึ่งคนแรกที่เริ่มในการทำบุญเรื่องนี้ก่อนที่จะมีบทบัญญัติส่งเสริมสนับสนุนเรื่องนี้อย่างชัดเจนนั่นคือท่านอบุ ในยุคแรกที่ท่านนาบีเผยแผ่อิสลามท่านอาวบะเกรนก็จะไปซื้อทาสที่รับ伊斯兰นะที่คนที่รับอิสลามแล้วเป็นทาสเนี่ยซื้อเขาแล้วก็ปล่อยเขาเขาจะได้เป็นอิสระไม่ถูกข่มเหงจากเจ้านายซื้อเงินสดาาเอาเงินสดาาไปซื้อทาสแล้วก็ปล่อยทาสทีนี้ปล่อยทาสแล้วเนี่ยการที่จะปล่อยทาสเนี่ยปล่อยทาสในนามใคร ไม่ใช่ในานามไม่ได้ปล่อยท่าตในานามเจ้าของสกาดต่างว่เจ้าของทรัพย์นี่เขาเป็นคนออกสกาดเขาก็จะต้องจะต้องเป็นเจ้าภาพไม่ใช่ก็อย่างที่บอกเงินสากานัดนี่ไม่ใช่เงินส่วนตัวแต่เป็นเงินเงินหลวงเงินส่วนรวมส่วนกลางที่เป็นเงินหงเขา้าเงินส่วนกลาง เพราะฉะนั้นเจ้าภาพในการปล่อยทาสเนี่ยก็คือสังคมทั้งหมด่องนี้มีประโยชน์อะไรมันมีประโยชน์เพราะในกฎหมายอิสลามเนี่ยการปล่อยทาสเนี่ยการปล่อยทาสเนี่ยมันมีค่าเท่ากับความเป็นทายาทหรือเป็นเครือญาติอันนี้เขาเรียกกันอลวาล่าัลานี่หมายถึงว่าก า, การเป็นมิตร การเป็นมิตรระหว่างผู้ปล่อยท่าดและท่านเขาจะเป็นมิตรกันขนาดไหนโอ oh, เป็นมิตรกันในขณะที่มีสิทธิ์รับมรดกได้ถ้าหากว่านี่หลกักศาสนานะี่ยไม่ได้ถูกยกเลิกนะถ้าหากว่าผู้ปล่อยท่านเนี่ยไม่มีผู้รับสากาดไม่ใช่ถ้าหากว่าท่าที่ถูกปล่อยแล้วเนี่ยไม่มีไม่มีทายาทที่จะรับสากาดเลยนอกจาก คนที یا, ی ی ی ی وا, ่ปล่อยขาเนี่ยคนที่ปล่อยเขาเนี่ยมีสิทธิจะรับ Zakat นบีจึงบอกว่าอัลวาลุลห์มาตุนกัลุห์มาตินซบลายูบะอวลาอุสตรอการเป็นมิตรระวังผู้ปล่อยทาดและทาดเนี่ยมันมิตรสนิทความเป็นมิตรนี่มันสนิทเปรียบเสมือนความเป็นทายาทความเป็นทายาทนี่นบีบอกว่าไม่สามารถที่จะขายที่จะซื้อได้ ซื้อขายความเป็นลูกได้ป่ะเออฉันเป็นลูกคนนี้โดยฉันจะขายแกแกจะได้เป็นลูกแทนแทนฉันได้ไม่ได้ความเป็นมิตรระหว่างญาติระวังทาตแล้วก็ผู้ที่ปล่อยทาตเนี่ยเช่นเดียวกันซื้อขายไม่ได้นี้ถ้ า, าว่าเอาเงินสะากดานี่ไปปล่อยทาตและธาตุนี่พอเป็นอิสระแล้วเนี่ย เขาก็ได้ทํามาหากินร่ารวยเป็นสิทธิมีเงินแต่ไม่มีทายะรํบาบสกาดเลยไม่มีแคร์รสกาดเลยถ้าผู้ปล่อยเนี่ยเป็นบุคคลชัดเจนไม่ได้เอาเงินสกาดนะเอาเงินส่วนตัวเขาเนี่ยไปไปล่อยถ้าคนนี้เนี่ยจะเป็นผู้มีสิทธิรับสกาดแต่ถ้าหากว่าเอาเงินสกาดนี่นะคนที่จะรับมรอดอกเนี่ยไม่ใช่คนที่ออกสกาดนะไม่ทรัพย์สินมรอดอกของ คนที่เคยเป็นทาสเนี่ยมันก็จะกลายเป็นทรัพย์สินส่วนกลางของใบุนมากของสังคมอันนี้เป็น <c oughs> เป็นเรื่องเกี่ยวกับหลักการหลักการของความเป็นทาที่ค่อนข้างไม่มีการไม่มีใครอ ธ, ธิบายเพราะมันเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยใช้กันแล้วในสังคมเพราะไม่ค่อยไม่ค่อยมีทาสแต่เดีเราจะรู้ว่าที่จริงในปัจจุบันนี่ทาสมันก็ยังมีเนะาะทาส ธาตี่ซื้อขายอย่างนี้มันก็ยังมีนะแต่มันจะถูกไม่ถูกถูกกฎหมายไม่ถูกกฎหมายนี่ก็อีกเรื่องนึงแต่ความมีธาต น, นี่หมายถึงว่าบุคคลได้เสียเสียอิสรภาพเสียความเป็นไทยในปัจจุบันมีไหมมีมีบ้านเราดีมีไหมมีแล้วทำไมมีองค์กรอะไรอะไรฆ่ามนุษย์นะ บ้านเรานี่มีเกี่ยวกับเนี่ยที่ขึ้นกับมหาไทยนี่แหละปราบปรามค้ามนุษย์อะไรสักอย่างอยาเงี้ยถาไมมีเจ้าหน้าที่บางคนเนี่ยโดนข้อหาฆ้ามนุษย์ตอนที่เอาโรองยาไปรับโรงยามาแล้วก็ไปขายขายอาญาพี่น้องเขากขังเ้าในค่ายในป่าจาได้ไหมสิบห้ากว่าปีสิบกว่าปีแล้ว แต่จริงรูปแบบของทาสนี่มันมันมีมากกว่านี้ในปัจจุบันในวมองของผมนี่มันก็คล้ายๆกันเอาเรื่องที่มันใกล้เคียงแล้วก็มีทัศนะที่อุลมามะนี่บอกว่ามันเข้าข่ายเรื่องเรื่องทานแบบนี้เชลเลยศึกมุสลิ ม, มนเนี่ยกิดสงครามแล้วก็ศัตรูก็เอามุสลิมมาเป็นเชลเลยเกิดความขัดแย้งระหว่างอุลมามะบอกว่าเอาสกัดเนี่ยไปไทย เฉลยได้ปะเฉลยมุสลิมได้ปะอลุลลามของท่านบอกว่าไม่ได้เพราะมันไม่เขายังไม่ใช่ทาสแต่อลุลลามอที่บอกว่าได้เขาบอกว่านี่ขนาดทาสที่ไม่ใช่มุสลิมนะทาสที่มุสลิมเรายังสามารถปลดปล่อยได้เลยลภาษาอะไรกับเชลยซึ่งปกติแล้วเนี่ยเฉลยศึกที่เป็นมุสลิมเนี่ยยังไงเขาก็จะเป็นเป็นทาสฝั่งนู้นแล้วนะเราจะปลดปล่อยเขาไม่ได้ไง อุลามะจึงอนุญาตให้นํำสกัดไปปลดปล่อยเชลยศึกเฉลยศึกที่เป็นมุสลิมสามารถทําได้และในยุคหนึ่งที่มุสลิมพ่ายแพ้แล้วก็มีเชลยศึกจํานวนมากต้องไปอยู่ไปต้องไปอยู่ในในค่ายของมุสลิมในค่ายของศัตรูเนี่ยอุลามากับฟัตวาที่จะสามารถเขาไม่ได้าไม่ใช่สกัดเขอก็ทั้งสกาดแล้วก็ งบประมาณแผ่นดินของอาณาจักอิสลามทั้งหมดเนี่ยถ้าจะต้องจ่ายจะได้ปลดปล่อยเชลยศึกมุสลิมเนี่ยก็ต้องทำมุลมะฟตาตัวแบบนั้นเพราะเป็นเชลยศึกในค่ายของศัตรูนี่ก็มีสิทธิ์ที่จะถูกบังคับให้ตกศาสนาซึ่งมันเป็นเรื่องที่ร้ายแรงที่เสียหายมากฉะนั้นในการที่จะทุ่มเทถึงแม้ว่าจะเอา ก, กาศเนี่ยไปปล ด, ดปล่อยเชลยศึกแบบนี้เนี่ยก็ถือว่าได้ อันนี้ก็ถือว่าเข้าขายแล้วก็มีอุลมามะเยอะนนที่พัฒนาก็ได้แต่ที่อาจจะไม่ได้เข้าขายโดยตรงแต่อุลมามะบางท่านบอกว่ามันก็มีความใกลเคียงเพราะเป้าหมายมันมีความคล้ายคลึงเช่นคนที่ติดคุกคนที่ติดคุกเราสามารถที่จะ ปลดเขาออกจากคุกหรือลดโทษคุกไม่ใช่ลดด้วยพระราชทานอภัยโทษนะเพราะอันนี้อันนี้เราไม่มีสิทธิ์ที่จ ะ, ะที่จะเรียกร้องได้เนีนนี้เป็นเป็นเรื่องระหว่างนักโทษกับกับเบื้องสูงเขาก็าจะเป็นเขจะเป็นคนที่พระราชทานให้แต่อันนี้พูดถึงสิทธิโดยระเบียบอย่างเช่นบ้าเราเนี่ยในเรือนจำนักโทษ ชั้นดีนักโทษชั้นดีเนี่ยเขาก็จะมีสิทธิ์ที่จะในช่วงเทศการสําคัญสําคัญเนี่ยมีสิทธิที่จะลดโทษแต่ในการที่จะเป็นนักโทษชั้นดีเนี่ยเขาต้องทํากิจกรรมหนึ่งในกิจกรรมนั้นน่ยก็คือร่วมฟังบรรยายร่วมทําความดีอะไรต่างๆเนี่ยทางมูลนิธิมุสลิมเบอร์สันดีของเราเนี่เราได้รู้ว่าทางทุกศาสนานี่ ศา ส, สนาพุทธศาสนาคริสต์นี่เขาก็เข้าไปอบรมนักโทษนะพอได้อบรมนักโทษเนี่ยและได้เกติบัต์ยืนยันนะว่าเข้ามาร่วมฟังบรรยายเกติบัตนินี่จะถูกนำไปย่อนโทษได้ลดโทษได้จากสมปีได้เป็นสองปีได้เป็นปีกว่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นการลดย่อนโทษที่เป็นผลดีกับนักโทษ ถ้าหากว่าไม่ร่วมกิจกรรมแบบนี้เนี่ยก็อโอกาสที่จะได้ลดหย่อนโทษไม่มีกิจกรรมแบบนี้เนี่ยก็จะก็จะน้อยลง อ, อนุมุสลิมก็เสียเปรียบเรื่องนี้เพราะอะไรเพราะสมมุติว่าพราะมาเทศอย่างเงี้ยแล้วก็มุสลิมก็ผมขอร่วมฟังเทศมันก็ดูมันดูดูไม่แต่เขาก็ให้อะนะแต่มันก็มันก็ดูแปลกๆไงว่าพราะมาเทศแล้วก็นักโทษ ม, มุสลิมเขอฟังด้วยจะได้จะได้ออกเกิตติบัต ต่ไ ด, ด้ลดโทษมันก็ดูไม่ดีพอเราเข้าไปทำแล้ว ก, กรจัดแล้วทําอ็มโกับเรือนจาหลายเรือนจำมาะนะและสามารถออกเกียรติบัตรได้มันก็สามารถลดหย่อนโทษได้สำหรับนักโทษมุสลิมกิจกรรมแบบนี้บริจาคสกาดบริจาคสกาดให้องค์กรเพื่อจัดกิจกรรมแบบนี้จะได้ลดโทษให้นักโทษเนี่ย ผม ม, มัมองว่ามันก็เข้าข่ายว่าเฟริกอบอกีเพราะอะไระเหตุผลมันอยู่ตรงนี้แล้วนะที่เรายับมาซะยาวเลยนะเพราะการลงโทษ ด, ด้วยกักขังมันไม่มีความชอบทั้งท้งหลักศา ส, สนาในอิสลามมันไม่มีโทษจำคุกจำคุกนี่ไว้กักขังจะได้ ดำเนินการโทษต่างๆต่อไปเช่นคนไม่ยอมจ่ายหนี้เอาขังก็ก่อนจนกว่าจะจ่ายหนี้คนไม่ยอมละหมาดเอามาขังก็กนจนจนกว่าจะละหมาดมันไม่ได้เป็นโทษมันเป็นวิธีบังคับจะได้บรรลุสิ่งที่ให้เขาพ้นจากความผิดกฎหมายแต่การที่จะให้การกักขังนี่เป็นโทษ ทำแบบนี้ในโทษเท่านี้หกเดือนปีหนึ่งยี่สิปีสาสิบปีตลอดชีวิตอย่างเงี้ยในอิสลามนี่ไม่มีเลยอาชัยกรรมต่างๆนี่ก็ลงโทษลงโทษด้วยด้วยด้วยการเคี่ยนหรือ ด, ด้วยการประหารชีวิตหรือด้วยการตัดอวัยวะเช่นขโมยนี่ก็ตัดมือก็จบตัดมือจบแลยนะปล่อยเลยนะคนคนค น, คนปน้นคนขโมยนี่ก็ตัดมือจบเลยนะคนทำซินาอย่างเงี้ยเคี่ยนจบ หรประนะรราระชีวิตจบขัตกรคนทําศีนามีข้อบชประหาชีวิตจบเรียเนาะกฎหมายแบบนี้นี่ประหยัดงบประมาณแผ่นดินมหาศาลเลยมหาศาลเและทุกวนนี้ก็ยังมีนักกฎหมายสากล น, นะนักกฎหมายสากลที่ยังงงกับกฎหมายสากลที่กําหนดให้การลงโทษอาชญากรด้วยการกักขังแล้วบังคับ พรัฐบาลก็จะต้องมีงบประมาณหล่อเลี้ยงอีกไมายถึงว่าไอ้อาชญากรที่เขาสร้างความเดือดร้อนในสังคม嘛นะเราต้องเอามาเลี้ยงเขาและเลี้ยงอาชญากรในคุกเนี่ยเลี้ยงเขานะบางทีเนี่ยคนที่มาเข้าคุกเนี่ยอาจจะไม่ใ ช, ช่อาชญากรคนเช็คเด้ง ปอะไรหมายจะระดมรถช น, ชนไม่ตั้งใจอะไรเงี้ยคนเป็นคนบริสุทธิ์เลยไม่มีไ ม, ม, ม, ม, ม่มีอะไรเลยพอเข้าไปอยู่อยู่ใครอยู่กับโจรอยู่กับอาชีพก้อนอะไรจะเกิดขึ้นนะคนบริสุทธิ์ที่ไม่รู้อินูอินเอเข้าไปอยู่กับพวกค้ายาพวกนักปล้นเนี่ยแน่นอนความชั่วมันก็ต้องขายายตัวโดวยปริยายเรื่องการติดคุก จะเป็นอาชีพกรรมใดก็ตามนี่มันไม่มีความชอบทั้งทั้งอิสลามอยู่แล้วฉะนั้นถ้ามีโอกาสที่จะลดหย่อนโทษของนักโทษยังไงก็ได้นี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่มีความชอบมีดิมีความชอบว่นี้ขนาดนักโทษทุจริตเขาก็ยังวิ่งเต้นที่จะให้ให้หลุดหรือให้ ลดหย่อนโทษของเขายังได้เลยเราก็จะเห็นว่ากฎหมายหลายกฎหมายนี่ที่เขาวิพากษ์วิจารณ์กันทุกวันนี้เนะี่ยบ้านเราแล้วก็ทั่วโลกกันนะโทษอะไรบางอย่างทีออ่อะไรหนึ่งหกเดือนปีหนึ่งอะไรอย่างนีนงง้แต่ก่อนนู้นน่ะกี่เม็ดครอบครองกี่เมนะ็ดน่าติดคุกนะมีใครจาได้ไหมห้าเม็ดป่ไม่ใคยเรียกฎหมายกันนะไม่เคยคายยากันนะ แต่ก่อนนั้นจำนวนนิดเดียวนะสิบสิบเอ็ดอะไรเงี้ยครบครอบของเพื่อขายแล้วคือเขากําหนดเขากําหนดตัวเลขนออ เ, นนเนี่ยเพราะอะไรเพราะไม่งั้นนี่ยเจอล้านเม็ดเนี่ยล้านเม็ดเนี่ยอ๋อผมไว้เสพมันก็จะเป็นโทษนิดเดียวใช่ป่ะเขาก็เลยกําหนดให้มีตัวเลขถ้าตัวเลขแค่นี้อันนี้พอที่จะเข้าใจวอันนี้ไว้เสพได้เฮียห้าไม่ไดงก็มีโทษนิดเดียว ้วแล้วก็ถ้าเกินหันนี้อันนี้นี่อันนี้ครอบครองเพื่อขายแน่นอนแล้วก็อยู่ที่ดุลพินิจของศาลและกันแต่ประเด็นอยู่ที่ว่าใครเป็นคนกำหนดนะ่ะว่าสิ่งเสพติดเนี่ยที่ครอบครองเนี่ยจะเสพหรือจะขายเนี่ยว่ามันว่ามันผิดกฎหมายก็คือกฎหมายเป็นคนกำหนดฉะนั้นตะกอนนู่นนะ่ะครอบครองยาบ้า หรือกัญชาหรือกระท่อมอันนั้นมีกฎหมายทั้งนั้นแต่ก่อนนั่นน่ะคนที่ครอบครองใบกระท่อมนะ่ะใบกระทอมนี่กํามือแค่นี้เนี่ยติดคุกแล้วก็กดไม้กํหากหนดเนี่ยเคี้ยวกระท่อมอย่างเงี้ยเคี้ยวกระทอมอย่างเงี้ยถ้าเห็นเคี้ยวกระทอมนี่เรียกเรียกไปล้วติดคุกแล้วอันนี้ละ่ะไปดูดิกระท่อมนี่ ขายยิ่งก็พผักชีนจำได้ไหวิกฤตผักชีใครจำได้ไหมผักชีเนี่ยโลละสามรอยโลละห้ารอยเนี่ยจำได้ไหมผักชีนะ 300, นะกชอ่ะเดี๋ยนี้โลละเท่าไรอ่ะกระท่อมถูกว่าผักชีนะก็ท่อมาขายหน้ามสัสยิดหน้าสุเรา่าหน้าวัดหน้าโรงเรียนศา ส, ะสะนาสถานเรื่องะไกขายำหนดกนระท่อมเดี๋ยวนี้นี่เป็น สิ่งเสพติดคนรักยาคนจนเพราะอะไรเพราะทุกคนเนี่ยซื้อได้แต่กัญชานี่อันนี้คนมีระดับหน่อยเป็นร้านหรูๆเป็นร้านมีที่นั่งมีองค์มีแอร์มีอะไรเรียบร้อยต้องขอใบอนุ ญ, ญาตทุกอย่างเรียบร้อยแต่ก่อนหน้านี้นี่ก็เหมือนกันแต่กัญชานี่ถูกปรับนี่มีใบสองใบนี่ยก็ติดคุกแล้วอ๋อเดี๋วนี้เป็นยังไง ผู้กฎหมายแล้วตอนหาเสียงกงนก็นเย้วเยนะครับว่าโอ๊ยเข้าบัญชีสิ่งเสพติดแน่นอนแล้วแล้วนี้เขาปรองดองกันแล้วนะ้งทุกอย่างที่ที่เคยพูดผมเชื่อเลยเกินว่าไอเรื่องไอเรื่องสิ่งเสพติดเขาอยัางเล่าอ่ะเล่าบุรีเนะี่ยตาม กำหนดของสาธารณสุขเนี่ยผมเคยเห็นโปสเตอร์ติดตามโรงพยาบาลน่ะสิ่งเสพติดเนี่ยเขาเขียนเลยนะบุหรี่เป็นสิ่งเสพติดแล้วคนที่ครอบครองบุหรี่นี่ถือว่าครอบครองสิ่งเสพติดแต่ถูกจับไหมไม่ไปซื้อเหล้าตามร้านสะดวกซื้ออย่างเงี้ยเหล้านี้ก็เป็นสิ่งเสพติดถูกจับมะติดคุกไหมไม่ดัง น, นเราก็จะเห็นนะนะครับกฎหมายที่มันจะออกไปเรื่อยๆนี่กระท่อมนี่รอดแล้ว กัญชาหนิรอดแล้วเหลืออะไระเหลืออะไรยาบ้าแล้วจะมีคนบ้าบ้าบาบอที่บอกว่าอ๋อยาบ้านี่ใช้ได้สมุนไพรเป็นสมุนไพรเป็นสมุนไพรรักษารักษาความเครียดใครเครียดพราไม่มีใครคิดนะครับบัวกัญชาหนิจะถูกปดล็อกเป็นยาเสพติดเนี่ยด้วยเหตุผลนะให้เป็น ให้เป็นสมุนไพรเพราะเขาบอกว่าการแพทย์นี่เขารู้กันนะโอ้โหนี่ก็จะใช้กัญชาในการแพทย์เป็นสมุนไพรนี่มันยากมันแทบไม่มีมันแทบไม่มีอ่ะแทบไม่ได้ใช้อ่ะแล้วที่ใช้นี่ก็ไม่ใช่กัญชาที่ใช้นี่คือกัญชงกันชงนี่มันไม่มันไม่เหมือนไม่เหมือนเมาเหมือนกัญชาและจะใช้ในการแพทย์นี่มันต้องสกัดซึ่งชาวบ้านลําพังความสามารถตัวเองสกัดได้ไง ที่เขาทำเนี่ยก็คือใช้ดูดใช้สูบกับบุหรีเนะ่ยดูดกับบุรีนั่น ง, ง่ายที่สุดแล้วส่วนว่าก็เป็นอย่างงั้นตามร้านแถวนี้ร้านที่มีใบกัญชานี่ยเขายัางยาอายเขายัางไม่กล้าเขียนกัญชาเลยเพราเขากลัวเดี๋ยวมันจะผิดกฎหมายเป็นเรื่องไงเขายัางมีใบกัญชาสุขุ ม, มิตรสุขุ ม, มิตรเนี่ยเขาจะเป็นภาษาหรับภาษาหรับจะเขาไม่ได้เขียนกัญชานะก็ขเขียนอาชาีบอาชีพแปไว่าสมุนไพร สมมุนไพรอรับนี้เดี๋ยวนี้เนี่ยเดินทางมาเมืองไทยนี่หนึ่งมารักษาตัวสองมาเที่ยวกลางคืนสามดูดกัญชาเพราะกัญชานที่ประเทศอารับนี่ก็ยังยังผิดกฎหมายอยู่และคิดว่าฝรั่งก็เช่นนั้นนะฝรั่งเดี๋นี้ที่เข้ามาเ ม, มืองไทยนีย่จะได้ดูดกัญชานี่น่าจะจำนวนไม่น้อยเหมือนกันคนอย่างพวกนี้เนี่ยไม่น่าจะไปจับกระทรวงสาธารณสุขนะน่าจะไปจับกระทรวงท่องเที่ยว ไอเดียแต่ละคนเนี่ยไม่ได้ทานานการเรื่องนั้นเลยจะเป็นเรากลายป็นเรื่องอื่นเลยมาถึงตรงนี้ได้ไงความชอบที่จะจับขังผมผมเห็นว่าจํานวนไม่น้อยนะครับที่ติดคุกเพราะเรื่อ ง, งเซ็กเสพติดเนี่ยไม่ค่อยอยุติธรรมแล้วเราก็เห็นเห็นกันนะครับว่าที่ถูกจับส่วนมากที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ก็คือคนที่เสพหรือขายารายรไรเล็กมากเคยมีเมื่อถูกขายาแบบบิ๊กบกระดับประเทศเคยถูกจับไหมไม่มีไม่เคยเลยไม่เคยเห็นเลยนี่คนนี้เนี่ย ท, ที่ที่คุมขายยาเสพติดยาบ้า ภาตะวันออกหรือกรุงเทพมานะครทั้งบทนนี่ น, น, น, นีมาเฟียนี่เจ้าพ่อคนนี้เคยเป็นข่าวไหมไม่เคยมีแล้วพวกนี้เนี่ยมีอยู่ไหนพูดได้แค่นี้นะดี๋ยโ ด, ดนฟ้องแต่มันเป็นข้อสังเกตที่สังคมก็ได้ตั้งข้อสังเกตมาเยอะแล้วแล้วจะมาจัดให้กระบวนการกักขังเป็นโทษที่จะ แก้ไขปัญหานี้เนี่ยมันก็ไม่มีวันแก้ไขแน่นอนเพราะเรากำลังกักขังคนที่ไม่ไดีเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมนี้โดยตรงค้าประเวณีเนี่ผิดค้าประเวณนี่ผิดกฎหมายนะเนียกฎหมายไทยนี่ผิดเวลาจับจับคนที่เกี่ยวข้องกับค้าประเวณีเนี่ยจับใครร้านหรือซ่องที่เขามีค้าประเวณีนะ คนที่อยู่ในนั้นแล้วก็แล้วก็ผู้จัดการด่านแต่เจ้าของร้านไม่เคยถูกจับเลยเจ้าของร้านอบอับนวลที่ทั้งหลายเนี่ยที่เคยถูกจับแล้วก็เป็นคดีทั้งหลายเนี่ยน้อยเนี่ยที่จะเห็นเนะ่ยเจ้าของร้านเนะ่ยเจ้าพอ่อที่จะถูกจับและก่อนหน้านี้นก็เคยมีเจ้าของธุรกิจนี่ที่ยวเรื่อ ง, เ ร, องเรื่องการจ่าสวยนี่มันก็เป็นส่วนสําคัญที่จะทําให้ธุรกิจเหล่านี้เนี่ยมันอยู่ได้ วิธีที่ดีที่สุดในการที่จะปราบเชีกรรมเหล่านี้เนี่ยก็คือก็คือปราบต้นต่อต้นต่อของมันสรุปนะครับว่าเรื่องกักขังนี่และเรื่องนี้มันมีวิทยานิพนธ์นะครับของนักบูชาการด้นานนิติศาสตร์อิสลามหลายคนได้ทำวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับเรื่องการกักขังว่ามันมีความชอบธรรมตามตหลักการศาสนาหรือไม่ที่ในเมื่อพูดถึงเรื่องท่านนี่ก็มาพูด ูจะได้จะได้เห็นภา พ, พรวมทั้งหมดเลยเนี่ยปัจจุบันนี้เนี่ยระบบทาสนี่มันยังมีอยู่แต่มันถูกปรับให้เป็นทาสโดยสมัครใจซึ่งในยุคหนึ่งอะนะในยุคหนึ่งของอาณาจักรอิสลามหรือในอนาณาจักรต่างๆที่ไม่ใช่อาณาจักรอิสลามยุคที่มีความรุ่งเรืองแล้วก็มีไบบว่าเศรษฐกิจดีเนี่ย ตลาดทาตเนี่ยมันกลายเป็นการใฝ่ฝันของคนบางคนที่จะเป็นทาตของเจ้านายบางคนเนี่ยเพื่อจะได้เบิกอนาคตของตัวเองผู้หญิงสวยๆมากมีความสามารถร้องเพลงมีความสามารถสร้างความสำราญกับเจ้านายาเนี้ยขณะที่บางคนเนี่ย ได้เป็นสนมของอของเจ้าเมืองแล้วนี่นะแค่เป็นสนมนะแต่สุดท้ายเนี่ยนางเองเนี่ยมากลายเป็นผู้ปกครองเมืองนั้นและที่อาณาจักรอิสลามสมัยอาบบาซียและก็สมัยอวาวินที่อันดาลุสเนี่ยก็จะมีพวกทาสีเนี่ยที่มีชื่อเสียงเรื่นียเป็นทาสีที่มีความสวยงามแล้วก็เป็นสนมของสุลต่านของ ของผู้ปกครองแล้วก็สุดท้ายเนี่ยได้เป็นได้เป็นสุลต่านเสียเองเช่นในประวัติศาสตร์ที่ก็ระบุชัดเจนท่าศีที่ชื่อชายรัตุดุรเคยเป็นสนเป็นสนมของสุลต่านไอิดดินไอบักนี่ในยุคอาณาจักรมาลายีเนี่ยในยุคนั้นนะสุลตานี่เสียชีวิตแล้วลูกน้องเขาเนี่ยกับ มะทะเลาะกันแต่สุดท้ายเนี่ยเขาเห็นว่าคนที่เหมาะที่สุดแล้วก็มีบารมีล้นฟ้ามากที่สุดในการที่จะปกครองนี่ก็คือชาจรดัดดุก็คือสนมของเขาในอดีตในยุคของอนัจาอาบบาซียนี่ตัวคาลีฟ้านี่เขาไม่ไว้ใจเครือญาติของเขาที่เป็นอาหรับเชื้อชาติอาหรับเพราะกลัวว่าเครือญาติเนี่ยเขาจะแย่งอำนาจ เขาก็เลย people, ก่อกองทัพของเขาเนี่ยจากทาตก็ไปซื้อทาตมาจากต่างแดนซึ่งส่วนมากก็มาจากอาณาจักรต่างๆของเตึกแล้วก็มาก่อทหารของเขาเนี่ยกองทัพของเขาทั้งหมดเนี่ยเป็นเป็นคนเตึกปรากฏว่าทั้งกองรัพนี่เป็นเป็นทาตนะ แต่ที่สุดนี่แม่ทัพนี่ที่ขึ้นมาแล้วก็แข็งแกร่งนี่ที่เป็นทาสนะสุดท้ายเนี่ยเขาก็กลายเป็นเจ้าของอำนาจมันก็เลยเป็นค่านิยมตอนนั้นนะ่ะว่าใครอยากจะอยากจะขึ้นเร็วกว่านะเป็นทาสเลยถ้าเป็นทาสแล้วก็มีฝีมือมีความสามรถขึ้นแล้วก็เป็นเจ้าเมืองเลยปัจจุบัน ล, ละ่ะใครอยากจะดังอนะ่ะ เป็นอะไรดีอะราได้ดีแล้วก็ดังดีเป็นอะไรดีนักเตะบอลนี่เดี๋ยนี้เนียซื้อขายกันซื้อขายกันโอ้โหเนี่ยออกราคากันอย่างกับซื้อไก่ซื้อวัวกันเลยเอามาเลยรอยละหนูไปเอาเนี่ยต้องจัดเพื่อนยังก็ซื้อขายสุสัตว์เลยนะนักเตะบอลตาา่างอะไรกับธาตในอดีตซื้อตัวเลยนะ ตัวเองนีจะไปไหนไม่ได้จะไปไหนนี่ยก็ต้องของอนุญาตเขานะเฮ้ยขอไปเล่นตรงนู้นแป๊บนึงไม่ได้ไม่ได้โดนข้อหาโดนเป็นเป็นคนป้นนำติดคุกเลยนะคนมีคนก็เคยเปิดเผยความโหดเหี้ยมของสัญญานังเตะบอล น, นี่รายละเอียดนะถึงนักเตะบอลพวกนี้เนี่ยเขาจะมีที่ปรึกษาด้านกฎหมายที่จะตรวจสัญญาด้วยสัญญาอะไรเขาเรียก สวยๆหน่อยเนี่ยสัญญายายข่ายแต่จริงนี่มันคือสัญญาซื้อขายตัวเพราะตัวเองกำลังขายตัวเองชัดๆเลยหนึ่งในสัญญานั่นหนึ่งในงข้อตกลงนะนะห้ามกินอะไรห้ามน้าหนักเกินเท่าไหร่ครับต้องรักษาน้าหนักนะหมายเนี่ยเ่ออยู่ค่ายกับข้าวนี่ ล, ล, ลงแรกน่ยบอกเงินเดือนเนี่ยเขาจ่ายเงินเดือนเนี่ยเดือนหนึ่งเป็นสิบสิ บ, สบล้านนะ นักเต่บอลล่าสุดในที่ถูกซื้อไปซาอุดีเนี่ยแต่ละคนปีละร้อยกว่าล้านยูโรเขาบอกว่าตกนาทีหนึ่งอ่ะเป็นนาทีหนึ่งนาทีหนึ่งต่อนาทีนะเป็นหลายร้อยยูโรนี่กัเป็นหมื่นบาทเป็นหลายหมื่นบาทต่อนาทีอ่ะแต่สุดท้ายชีวิตของเขาเนี่ก็ต้องเป็นชีวิตที่ถูกที่ถูกควบคุม ด้วยผลประโยชน์ของสโมสรเช่นเดียวกันนางแบบในแบบสังกัดค่ายนี่เขาจะจ่ายเงินเดือนให้จ่ายค่าใช้จ่ายมีค่าขนมมีมีทิปมีอะไรต่อมีอะไรแต่เป็นอิสระไหมนี่ล่าสุดนี้ที่เป็นที่เป็นเรื่องกันนะนางแบบคนหนึ่งที่ มีรางวัลให้ดูดวงใช่ปะแล้วตัวเองก็ไม่ยอมดูดวงเพราะเป็นคริสเป็นคริสสรุปแล้วอถ้ามีเงืเ่อนไขในศาสนาที่ทําไม่ได้ตามที่ค่ายของเขาเนี่ยต้องการน่ะนะเขาบอกว่ามาแล้วนี่มาเป็นนางแบบนี่ต้องพร้อมพร้อมทําทุกอย่างที่เขาต้องการให้ทํา เราไม่รู้เนะี่ยมีดีลลับอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้เรื่องอื่นที่เป็นที่เกี่ยวกับขายตัวเรื่องโสเภณีเรื่องอะไรเนี่ยไม่มีใครรู้แตเ่เรื่องนี้เนี่ยในในทั่วโลกเนี่ยเขาก็เขาก็รู้กันในวันในวงการคนดังๆเนี่ยมันก็จะมีเรื่องอะไรแบบนี้เนี่ยมามาแทรกตัวอยู่ตลอดอันนี้เนี่ยคือตลาดทาตเต็มตัว พอจะเทียบแล้วเหมือนในอดีตนี่นะทา่านนี่มันไม่ใช่ว่าเออทานจะต้องผูกมัดถูกล่ามโซ่อะไรไม่ใช่ท่านนี่บางทีนึงก็บอกเป็นทานนี่หมายถงว่าเป็นคนในวงังอ่ะเป็นคนที่มีบารมีในวังด้วยนี่ก็เช่นเดียวกันเป็นระบบทา่านถึงจะเป็นระบบที่อำนวยความสะดวกให้ทานแบบนี้มันก็ผิดหลกักการศา ส, ะสะนาหมายถึงว่าเล่นบอลเล่น เป็นนักแสดงเนี่ยแต่ได้เซ็นสัญญาไม่เป็นอิสระไม่เป็นเจ้าของตัวเองแบบนี้อันนี้ถูกหลักการศาสนาไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องเพราะอย่างที่รู้กันนะว่าเนี่ยคนที่จะอ้างถึงหลักการศาสนาจะทำไม่ได้ในทำได้นี่อันนี้เขาก็เาก็ไม่ให้แสดงว่าอิสระอยู่ไหนในการที่นี่ขัดกับรัธรรมนูญนะ นี่ขนาดมนุษย์เนี่ยทุกคนเนี่ย ม, มีความเชื่อมีอะไรเนี่ยเาก็เขาก็ปฏิบัติตามความเชื่อของเขาได้แต่อันนี้ไม่ได้แสดงว่ามันริดรอนอิสรภาพของมนุษย์และมันไม่ใช่มันไม่ใช่ค่า ม, มนุษย์เด้งไงแต่แน่นอนจะเอาสกาศนี่ไปปล่อยทาตุนะบอล น, นี่ไม่ได้หรอกเขาก็ไม่เอาเขาก็บอกวอยากอยู่แบบนั้นแหละสกาศก็ไม่พอด้วย เยอะในหลักการศ ส, สนาเนี่ยมันมีระบบปล่อยธาตุระบบหนึ่งเขาเรียกว่ามุกาตะบะมุกาตะบะนี่หมายถึงว่าตัวธาตุเนี่ยแสดงความประสงค์กับเจ้านายเนี่ยว่าเขาอยากจะได้อิสระด้วยการถ่ายตัว mm hmm. เจ้านายก็กจะกำหนดค่าตัวให้ถ่ายถ้าถ่ายได้เนี่ย จำนวนเนี้ยเขาก็จะปล่อยให้วิธีการก็คือเขาจะให้สิทธิ์กับทา่าของเขาเนี่ยธรามหากินเองใ้เวลาของเขาเนี้ยอันนี้ธรามากินจะได้หาเงินมาไถ่ตัวอุเรลมาเขาบอกว่ า, าคนที่ขาดแคลนเรื่องนี้นั่นแหละมาขอสกาัดตรงนี้ได้ไหมอ่าทศนะอุเรลมาสนบา่าวบอกว่าได้เช่นเดียวกันเพราะเขาก็คือทานนั่นแหละที่มีสิทธิ์ที่จะรับสากาัด และนี่คือความกว้างของคำว่าว่าฟีว่าฟีในอลรีย์อมคือในเรื่องเรื่องระบบระบรบทาาทั้งหมดเนี่ยอะไรที่ทำให้คนเนี่ยถูกปลดปล่อยจากความเป็นทาาให้มีอิสระภาพย่อมมีสิทธิ์ที่จะรับสะการเนื่องด้วยระบบ ท, าท่าในปัจจุบันก็ถือว่าผิดกฎหมายทั่วโลกและมีบางประเทศนี้ยังมีระบบทาาอยู่ แต่ก็ถือว่าลักลอบนะถึงแม้ว่ามันผิดกฎมแต่ก็ถือว่าลักลอบทากันอยู่ในประเทศที่เป็นระบบทาสจริงๆนะในประเทศอาหรับในที่ยังมีอยู่และเป็นประเด็นอยู่เนี่ยประเทศยิเมเนสูดานและโมริตาเนียะทุกวนนี้ก็ยังมีพระยังมีทาสอยู่ลักลอบซึ่งทาสส่วนมากในในทัศนาที่ถูกต้องเนี่ยทาสแบบนี้เนี่ยมันก็ไม่ถูกต้องเพราะส่วนมากนี่ก็ไปป้นไปป้นเข้ามา ไปป้นคนก็มาส่วนมากป้นมาจากเผ่าเผ่าที่อยู่ในทะเลทรายแล้วไม่ไม่มีไม่มีแบบว่าเขาไม่ไม่รู้อินูอินเนเนี่ยแล้วก็แล้วก็มาขายขายเป็นแรงงานอืซึ่งอันนี้เนี่ยนี่ก็มีในรูปแบบนี้กฎหมายสากลเนี่ยก็มีมีเรื ए, ่องที่น่าสนใจที่เขาได้กำหนดเรเนียม เนียมคำว่าทาตเนี่ยหรือค้ามนุษย์เนี่ยเขาบอกว่าแรงงานเนี่ยที่ถูกบังคับให้ทำงานโดยไม่ได้ทำข้อตกลงเรื่องค่าตอบแทนอย่างสมัครใจหรือบังคับให้รับค่าตอบแทนโดยไม่ยินยอมหรือไม่ไม่สมัครใจนี่ถือว่าค้ามนุษย์ซึ่งถ้าเอาคำเนียมนี้นะครับ ซึ่งคำนยมนี้เนี่นถือว่าเป็นเนียมกฎหมายสากล น, นะเนียมนี้ถ้าค่าแรงงานไม่เป็นที่เพียงพอสําหรับเครื่องยังชีพต่างๆระดับพื้นฐานแต่กฎหมายกำหนดว่าเป็นค่าแรงงานขั้นต่ำที่ถูกกฎหมายแล้วใซอันนี้ก็ไม่ต่างอะไรกับข้ามมนุษย์ไอค่าแรงงานเนี่ย ถ้าถ้าไม่ไม่น้อยกว่าร้อยห้าสิบรยสิบนี่ถือว่าถูกกฎหมายร้อสิบต่อวันหนึ่งหรือสามร้อยต่อวันหรือหกร้อยต่อวันสมมตนะิแล้วสมมติดวงหกร้อยนี่มันไม่พอจริงนะไม่พอจะกินไม่พอจะรักษาพยาบาลไม่พอจะดูแลลูกดูแลครอบครัวไม่พอจริงนะแต่กฎหมายบอกว่าต้องต้องเอาแล้วเขาไม่มีทางเลือกที่จะไปทํางานที่ไหน มันก็กลายเป็นค่าแรงขั้นต่ำที่กฎหมายรองรับมันก็เป็นการบังคับค้ามนุษย์ด้วยความชอบทางกฎหมายฉะนั้นที่เขาดีใจกันทั้งหลายนี่โหหาเสียงกันเดี๋ยวจะขึ้นค่าแรงให้นี่ทั้งหมดนี่นะถือว่าเป็นการค้ามนุษย์โดยกฎหมายและที่ถูกต้องนี่ที่ถูกต้องเนี่ย ค่าแรงเนี่ยต้องรัฐบาลและกฎหมายเนี่ยต้องคุ้มครองให้เพียงพอให้เพียงพอไม่ใช่กําหนดแล้วกําหนดค่าแรงงานเนี่ยขั้นต่าค่าแรงงานเนี่ยกําหนดแล้วก็ไม่ ม, ไ ม, มีไม่มีรัศมีเวลาที่จะคุ้มครองอหมายถึงว่าไอ้ร้อยห้าสิบเนี่ยใช้กันสิบกว่าปีอะและคิดดูสิบกว่าปีเนีย่ยร้หสิบาทนี่มันจะพอที่ไหนอะกับชาวบ้านน่ะวันหนึ่งอะ่ะ รัฐเนี่ยต้องคุ้มครองรายได้เนี่ยให้เพียงพอไม่เกี่ยวนะแต่และสถานที่แต่และเวลานี่ไม่เหมือนกันเจ้าของธุรกิจนี่เขาจะต้องเสนอว่า น, นี่งานของเขาต้องการคนแบบนี้แหละคนแบบนี้เนี่ยเขาจะใช้ชีวิตแบบไหนเขาจะอยู่แบบไหนเขาจะเช่าบ้านหรือจะมีมีบ้านให้หรือจะอะไรเงี้ยเขาก็ต้องแบบนี้เนี่ยอยู่ได้แบบนี้แล้รัฐบาลต้องมารับรองได้แบบนี้ได้หรือไม่ได้ไม่ใช่ว่ากําหนดตายตัวเลย แบบนี้เนี่ยโฮ้ยสนุกกันดิสนุกกันดิสนกกนดอส ม, มุดว่าขึ้นราคาแรงขั้นต่ำนี่หกร้อยที่เขาก็เรองอวน่นนะู 70, น่นปีเจ็ดศูนนู่นขั้นตํำนี่ขึ้นห0 0ก้เลยนะแต่งเงินบาทนี่ต่า ม, มาเ <laughs> ท่าตัวหกเท่าอย่างเงี้ยมันจะมีประโยชน์อะไรมาและแลเกิดขึ้น้เกิดขึ้นได้สิ ต้องมีอยงกุ้งะจำได้ไหมดอลล่ดอลดล่จากย5สบหาบาทนี่ข้ามคืนนะหมายถึงว่าหกทุ่มนี่นย่สิบห้าบาทนี่หกโมงเช้านี่ห้าสิบบาทเท่าตัวเลยก็หมายถึงว่าคนที่มีเงินเคยมีเงินห้าสิบล้านบาทเนี่ยมันมีมูลค่าเท่ากับ ยีสหล้านบาทหมดไปครึ่งหนึ่งแล้วจะขึ้นค่าแรงแค่ไหนแต่ใครจะการันตีล่ะว่ารัฐบาลมันจะกิ่งที่จะรักษารักษาคุณค่าของหกร้อยบาทนี่ซื้อร้ยบะเออร์ร้อยบาทนี่มันซื้อก๋วยเตี๋ยได้กี่ชามมันมันซื้อผักได้กี่โลซื้อเนื้อได้กี่โลไอร้อยบาทนี่แต่เมื่อขึ้นแล้วนี่แต่ราคาเงินมันตกแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรล่หาเสียงกันทั้งหมดเนี่ยหาเสียงกัน ขึ้นค่าแรงได้แต่มีใครบอกว่ารับรองฉันรับรองว่ามูลค่าของบาทหนึ่งเงินตาของเรานี่จะแข็งแกรง่งเหมือนเดิมตลอดไปสี่ปีต้อไมีใครพูดมเรื่องนีม้มีใครการันตีได้เลยมันก็เป็นค่ามนุษย์อย่างหนึ่งที่จะทำให้พวกเจ้าสัวพวกมหาเศรษฐีนี่หากินกับแรงงาน เราก็รู้กันนะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยแรงงานนี่ในปริมาณประชาชนนะครับว่าแรงงานนี่ก็หมายถึงมนุษย์เงินเดือนอนั่นแหละมนุษย์เงินเดือนนั่นแหละแรงงานถ้ามองแบบนี้นะครับแรงงานเนี่ยก็คือธาตุชนิดหนึ่งที่ยังอยู่ในสังคมและสิบเสียบเรียบจากในทุนอันตรารศาสนา ชเชคเนื้อุอ่านได้ระบุว่าในเรื่องข้อตกลงซื้อขายค่าจ้างอิลลอันตะกูนธิจาระตะอันตราดิมมิงกุมข้อตกลงต่างๆต้องเกิดจากความพอใจซึ่งกันและกต้องพอใจแต่ทำแบบถูกบังคับถูกบังคับจากเจ้านายเนี่ยอันนี้พอเข้าใจว่าเออมัน มันมันเหมือนธาตุชัดนะแต่ถูกบังคับแต่กฎหมายเรียกร้องมากกว่านั้นไม่ได้เฮ้ยจะเอามากกว่าสามรอยได้ไงกฎหมายก็กําหนดแล้วขั้นขั้นต่ำสามร้อยเรียกมากกว่านี้เนะี่ยไม่มีสิทธิ์ไปเนี่ยไปทำงานที่อื่นจ้าไปที่อื่นเนี่ยก็ไม่มีใครขึ้นเลยเพราะมันกฎหมายไงกฎหมายนี่บอกแล้วขั้นตับเนี่ยห้ามห้ามลงกว่าสามร้อยฉันกสามร้อยฉัไม่ขึ้นแต่ไม่ลงแต่ไม่ขึ้นมันก็เป็นการเอาเปรียบเหมือนกัน บานเราที่สิ่งที่เราต้องพูดแล้วก็ต้องแสดงจุดยืนนะครับแก่อนนู้นแรงงานค น, คนไทยทํางานทุกอย่างทุกอย่างเป็นกรรมกรก่อสร้างทั้งทุกอย่างเดี๋ยวนี้ก่อสร้างคนไทยไม่มีแล้วไม่มีแล้วแล้วคนไทยไปทําอะไรขายของติ๊กต็และแรงงานนะกรรมกรนะพอ่อแม่ กมูชาล่านี่ประเดชเพื่อนบ้านแล้วเขาอยู่ยังไงอะ่ะก็เราก็เห็นกันก็ก่อนนั้ไม่เคยเห็นจันทร์แต่ช่วงโควิดนี่เราเห็นโอ้โหนี่ใครแรงงานนี่ติดโควิดเอาไปดูโห่ี่อยู่อยู่กันอย่างนี้แล้วจะไม่เข้าติดโควิดได้ไงอยู่กันแออัอย่างนี้ห้องหนึ่งสองคูนสองนี่อยู่กันสามสี่คนนี่ยิ่งกว่าคุกอีก ก็ถามว่าเอาเปรียบเขาไหมใช่ดิเพราะพอเขาอยู่ประเทศเ้านี่ลําบากกว่าบ้านเราหมายถึงว่เข้ามาเมืองไทยเนี่ยเขาเนี่ยเขาอยู่ในสวรรค์จริงไงเทียบแล้วกับแต่มันก็ไม่ได้เป็นเหตุผลงไงหมายถึงว่าอาอยู่ที่นี่มันสวรรค์แต่แต่มันก็สําหรับคนไทยก็ถือว่านรกนอยู่แบบนี้มันก็นรกเหมือนกันเอาเปรียบของเขาแบบนี้เนี่ยมันก็อันนี้ก็เตือนตัวผมแล้วก็เตือนพี่น้องด้วยนะครับ แรงงานนจ้างแรงงานเนี่ยนะครับอยอย่าได้เอาเปรียบเขาเลยโดยเฉพาะแรงงานตัวเล็กๆจ้างเขาจ้างเขาอย่าไปต่อรองเขาเลยเมื่อจ้างเขาสองรอยบาทสามร้อยบาทเอ้ยแพงไปร้อยหนึ่งก็พออย่าไปต่อรองถ้าเรามีความสามารถนะอย่าไปต่อรองอะไรเล็กๆเล็น้อยเยมันเป็นการเอารัดเอาเปรียบเช่นเดียวกันแม่ค้าพ่อขายที่เขาขายผักขายของในตลาดอย่างเงี้ย ผักชีมัดหนึ่งอย่างเงี้ยหบาทน้อยเยอะไหมสาสบาทก็พอนอโหจะไปต่อรองพอไปกินกาแฟสตาร์บัคอย่างเงี้ยถ้วยหนึ่งรอสาบนี่กลากาต่อรองอะไรวะสตาร์บัคหนึ่งแค่นี้เนี่ยสองสารอแล้วแล้วพอแล้วพอไปหาแม่ค้าเนี่หาสิบาทแพงแพงเตือนผมเตือนพี่น้องอย่าทำเลยมัน มันสันดานไม่ดีสันดานคนดีเอานั้นเอาเปรียบชาวบ้านถ้าเรามีนะนี่เท่าหมายถึงว่าถ้าเราถ้าเรามีโอกาสกินทั้งสตาบัคแล้วกับไปซื้อผักชีแบบนี้เอออย่าอยามีนิสัยแบบนี้เลยมันไม่ดีงามไม่สวยงามเลยผู้ศรัทธานี่ก็จะต้องใจบุญแล้วต้องเห็นใจโดวยเฉพาะคนอ่อนแอคนยากจนต้องเห็นใจเขาวิสบีลิน ล, ล่ะนี่เรื่องใหญ่แล้ววิสบีลิน ล, ล่ะเรื่องใหญ่ฟีใน เหมืนกันสบีลิลลัษณะบีลหนทางอัลลอฮ์หนทางของอัลลอฮ์คำว่าบีสบีล ล, ล่านี่ในสำหมายท่นานนบีซัลลัลลอฮุอะไลฮิวสาริมละซาฮาบะมักจะใช้มักจะใช้ในความหมายของการ j ิ h a d คือการทําสงครามในหนทางของรอลลสุบภาณหัวตานกาวคือนักรุกที่ไม่มีเงินเดือน จัดส่วนกลางจัดทางการสมมติว่ากระทรวงกลาโหมในรัฐอิสลามเนี่ยเขามีเงินเดือนให้นักรบแสนคนแต่มีห้าหมืนคนเนี่ยเขาไม่มีเขาอาสามีศิท ร, รับกรสรรบ ก, กัดไหมมีศิทรับสกาดก็ถือว่าฟีซาบิลอันนี้ชัดเจนเอกฉันไม่มีความขัดแย้งเลยนะครับว่าฟีซาบิลแล้วนี่ก็คือสําหรับญิจการทีนี้สมัยท่านนบีสุลต่านอัลเลาะห์อัสสลามก็เกิดเหตุการณ์ ท่านนบีจะไปทำฮัตแล้วก็มีครอบครัวที่มาดีนะภรรยาเนี่ยอยากจะไปทำฮัตกับสามีกับท่านนบีสามีนี่เขามีฐานะเขามีพานะของเขาะภรรยาไม่มีพานะสามีจะบอกกับไม่มีพานะจะไปไงอ่ะ คือไปไปเดินทางจากม ด, ดีนาไปมักกะแล้วเอามักกะเนี่ยไปมีนาอัลรฟา่าอูดมันต้องมันต้องมีผ้าต้องมีต้องมีอูดสักตัวหนึง่งถ้ามีอูดตัวเดียวแล้วเราสลับกันนั่งเนี่ยหนูฉันก็แย่หูเธอก็แย่เขาก็บอกว่าก้อาอูดตัวนั้นดิแต่ก่อนนู้นในอาลลอฮ์นี่เลี้ยงสัตว์ตัวไหนนี่ก็ตั้งชื่อนะอ่าเขาก็เนี่ยอูดตัวนั้นเนี่ยเขาเรียกชื่อตัวนั้นเขาก็ไม่ได้อูดตัวนี้เนี่ย <c oughs> ฉันบนบาลแล้วอ่ะกีสบีลแล้วหมายถึงว่าใให้ไปไปช่วยกองทัพยิฮัดกิสบลแลีแล้วแล้วเขาไม่ยอมภรรยาก็เลยไปฟ้องนา บ, บีดิฉันจะไปไปอาตรรมกับท่านนา บ, บีและสามีฉันบอกว่าไม่ได้เพราะไออูตัวนั้นนะ่ะเขาบนบาว่าฟีซบีลิลล่ะเขาก็เรียกสามีมาบอกว่าเจ้ารู้ไหม ว่าถ้าเจ้าให้ภรรยานั่งอู่ตัวนี้ไปทำฮัทเนี่ยก็ถือว่าฟีซาบีลิลล์จึงเป็นที่ไปที่มาของทัศนะของอิหมัมมัลฮะเซลบรสริอิห ม, มัมมัตอิหมัมมิสฮะกับนิโราฮะไว้บอกว่าสกาดฟีซาบีแ ล, ละนี่ถือว่าหนึนน่งในจําพวกนั้ น, นคือให้คนที่ขัดสนไม่สามารถไปทำฮัทได้เนี่ยให้ไปทำฮัทจัดเงนินสกาดได้ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น สำหร ah ับสํานักคิดที่ขยายข้อวินิจฉัยนี้โดยอ้างการเปรียบเทียบของท่านนบีนบีเปรียบเทียบว่าฮะเหมือนจิฮัดทั้งดังนี้ฮะเนี่ยมันไม่มีสุรุแต่นบีให้เห็นว่ามันอยู่ในหนทางอัลลอฮ์ก็เหมือนจิฮาดนี่แหละจีฮัดนี่ก็ในหนทางอัลลอฮ์ฮะเนี่ก็ในหนทางอัลลอฮ์ سبحانه ผิดจุดเริ่มต้นสําหรับสํานักคิดมัซฮาบต่างๆโดยเฉพาะในรุ่นหลัง รุ่นหลังเนี่ยก็รุ่นแต่บือแต่เบ้นีนเริ่มมีทศนะที่ขยายว่าพิศบิลละเนี่ยสามารถขยายความว่าไม่ใช่หนทางของอัลลอฮ์เนี่ยคือการสู้รบอย่างเดียวแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเป็นเป็นสาธารณประโยชน์ของสังคมมุสลิมสาธารณประโยชน์ของสังคมมุสลิม และมีความชอบทางคำสั่งสอนนะของอัลลอ์ก็ถือว่าฟีสวิลลเพราะฟีสวิลในหนทางอัลลอฮ์คสั่งสอ น, น Allah, สสอัลล์ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีคำสั่งสอนรองรับช่วยเหลื อ, อยากจนการศึกษาอิงการศึกษานี่มีฮะดิษรองรับว่า เป็นหนทาง <c oughs> เป็นหนทางสู่สวนสวรรค์มันซละกะตารีกันลมิซูฟีฮอิลมันสาฮะละลาวเราตอรีกันเอลนะหนทางไปสู่สวสรรค์ก็ เ, เช่นชีญาตก็เป็นหนทางสู่สวนสวรรค์เช่นเดียวกั น, นทุกสิ่งที่มันเป็นที่มีคาสั่งสอนรองรับมีความชอบทางและการศาสนาของอัลล์เนี่ยก็ถือว่าฟีซาฟิลลถ้า สถานที่หนึ่งไม่มีมสัสยิดไม่มีโรงเรียนไม่มีโรงพยาบาลไม่มีบริการส่วนรวมที่สังคมต้องการอย่างนี้เขาสามารถที่จะเอาสกาดมาช่วย